สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาลนะครับเช้าวันนี้เป็นเช้าวันจันทร์เราอยู่ในพระธรรมหนึ่งพระกษัตย์บทที่ข้อที่9จนถึงข้อที่24ครับโปรดฟังพระว จ, จนะของพระเจ้าอาสาขึ้นเป็นกษัตริย์แห่งยูดาตรงกับปีที่20ของรัชกาลเยโรโบอัมแห่งอิสราเอลทรงครองราชอยู่41ปีในกรุงเยรูซาเล็ม สเสด็จย่าของพระองค์คือมาอาคาทิดาของอาบีชาลมอ า, าสาทรงทาสิ่งที่ถูกต้องในสายพันธุ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าเหมือนดาวิดบรรพระบุษอ า, าสาทรงเนรเทศโสเพนีชายประจำเทวะสถานออกไปจากดินแดนและทรงขจัดเทวรูปทั้งปวงที่บรรพระบุษสร้างขึ้น โปรงทรงถอดพระนางมาอาคาเสด็ญีญาของพระองค์ออกจากตำแหน่งพระพันปีหลวงเพราะพระนางได้สร้างเสาเจ้าแม่อาเชราอันน่ารังเกียจอาสาทรงโค่นเสานั้นและเผาทิ้งที่หุบเขาคิดโรนแม้พระองค์ไม่ได้ทรงรื้อสถานบูชาบนที่สูงทั้งหลายทิ้งแต่พระไทยของอาสาก็พักดีแน่วแน่ต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าตลอดพระชนชีพ พระองค์ทรงนำเงินและทองกับเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆซึ่งพระองค์กับราชบิดาได้ถวายแด่พระเจ้ามาไวในพระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้ามีสงครามระหว่างอาสากับกษัตริย์บาอาชาแห่งอิสราเอลตลอดรัชกาลกษัตริย์บาอาชาแห่งอิสราเอลมาสู้รบกับยูดาและบาอาชาทรงสร้างป้อมปราการที่เมืองรามาเพื่อปิดทางเข้าออกสู่ เขตแดนของกษัตริย์อาสาแห่งยูดาห์อาสาจึงทรงนำเงินและทองคำที่เหลือทั้งหมดจากคลังพระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้าและจากท้องพระคลังของพระราชวังของพระองค์เองมามอบให้ขาราชบริพารนำไปถวายกษัตริย์เบนฮาดัดแห่งอารำมซึ่งปกครองอยู่ที่เมืองดามัสกัสเบนฮาดัดนี้เป็นโอรสของทับริโมนซึ่งเป็นโอรสของเฮซิโอนกษัตริย์ อาสาทูลว่าขอให้เราเป็นพันธมิตรเหมือนกันกับราชบิดาของเราทั้งสองข้าพเจ้าส่งเงินและทองนี้มากํานันแด่ท่านขอให้ท่านตัดสัมพันธมตรีกับกษัตริย์บาอาชางอิสราเอลเพื่อเขาจะได้ถอยทัพไปจากข้าพเจ้าเบนฮาดัดทรงเห็นชอบกับกษัตริย์อาสาและทรงส่งแม่ทัพและกองกําลังไปโจมตีเมืองต่างๆของอิสราเอลทรงพิชิตเมือง อิโยนดานอาเบลเมิดมาอาคาคินเนเรตทั้งหมดรวมทั้งนัฟทารีเมื่อบาชาทราบเรื่องนี้ก็หยุดสร้างเมืองรามาแล้วถอยทับกลับไปยังทีรซาจากนั้นกษัตริย์อาสาทรงเกณฑ์ทุกคนในยูดาห์ไม่เว้นผู้ใดเลย ให้พวกเขาช่วยกันขนหินและไม้ซึ่งบาชาทรงใช้อยู่ที่เมืองรามานำไปสร้างเมืองเกบาในแดนเบนจามินและเมืองมิสปาเหตุการณ์อื่นๆในรัชการของอาสาความสำเร็จทั้งปวงพระราชกิจทั้งสิน้นและเมืองต่างๆที่ทรงสร้างขึ้นมีบันทึกในจดหมายเหตุกษัตริย์แห่งยูดาไม่ใช่หรือเมื่ออาสาทรงชราแล้วก็ทรงประชวรด้วยโรคที่พระบาท แล้วอาสาก็ล่วงรับไปอยู่กับบรรพบุรุษและถูกฝังไว้ด้วยกันในเมืองดาวิดและเยโฮชาฟัดโอรสของพระองค์ขึ้นของราดแทนพี่น้องครับเรามาถึงรัชการของอาสาอาสานั้นเป็นกษัตริย์องค์แรกใน8ดองค์ของแผ่นดินอิสราเอลตอนใต้คือแผ่นดินยูดาที่เป็นกษัตริย์ที่ดีครับเป็นหนึ่งใน8 พระองค์เท่านั้นที่เป็นกษัตริย์ที่ดีแท้จริงแล้วในราชวงศ์ยูดาห์นะครับในแผ่นดินยูดาห์ตอนใต้นี่นะครับมีกษัตริย์ทั้งหมด20องค์แต่ก็มี8องค์ครับเป็นกษัตริย์ที่ดีแล้วอาสานั้นเป็นพระองค์แรกครับที่เป็นหนึ่งใน8ของกษัตริย์ที่ดีคําว่าอาสานั้นชื่อของเขามีความหมายว่ารักษาผู้รักษา หรือฮีเลอร์ฮีเลอร์แปลว่าผู้รักษาผู้บำบัดนั่นคือความหมายของกษัตริย์อาสาชื่อของเขาแปลว่าผู้บำบัดหรือผู้รักษาพี่น้องครับ8พระองค์นี่นะครับมีสพระองค์ที่เด่นเดนสีพระองค์นี้นอกจากอาสาแล้วก็คือกษัตริย์เยโฮชาฟัตพี่น้องต้องจำชื่อนี้ให้ดีนะครับกษัตริย์เฮเซกิยา และกษัตริย์โจเซียหรวมทั้งกษัตริย์อาสาด้วยก็ทั้งหมดครับ4พระองค์สกษัตริย์นะครับสกษัตริย์นี้เป็นกษัตริย์รีฟอร์เมอร์ครับก็คือเป็นกษัตริย์นักปฏิรูปศาสนาถ้าเราพูดถึงรีฟอร์มรีฟอร์เมอร์ก็เราก็คิดถึงมาร์ตินลูเทอร์ใช่ไหมครับมาร์ตินลูเทอร์นั้นรีฟอร์มโปรเตสแตนต์หรือรีฟอร์มให้ออกมาจากความผิดพลาดความ เสื่อมสลายของอาณาจักรศาสนจักรโรมันคาทอลิกนั่นเองพี่น้องครับหนึ่งใน4ของกษัตริย์รีฟอร์เมอร์นั้นนะครับเราจะไล่ชื่ออีกครั้งครับก็คือกษัตริย์อาสาเยโฮชาฟัดเฮเซกียาและโจเซยียกษัตริย์อาสานั้นขึ้นเป็นกษัตริย์แห่งยูดาตรงกับปีที่20ของรัชกาลเยโรบอรัมฝ่ายเหนืออิสราเอลครองราชอยู่41ปีในกรุงเยรูซาเลม็มและ เสด็จย่าซึ่งมีตำแหน่งพระพันปีหลวงนะครับเหมือนกับซูสีไทยเฮานี่แหละครับเสด็จย่าชื่อว่ามาอาคาเป็นธิดาของอาบิฉลอมสิ่งที่อาส า, าทำนั้นได้ถูกต้องในสายพระเน่หของพระเจ้าเหมือนกับดาวิดครับถือว่าเป็นกษัตริย์ที่ดีเพราะว่าอาสานั้นทรงกระทําประการแรกคือเนรเทศโสเพนีชายประจําเทวสถานออกไปจากดินแดนอันที่สองคือ ขจัดเทวรูปทั้งปวงที่บรรพบุรุษสร้างขึ้นอันที่3ก็คือถอดพระนางมาอาคานะครับสเสด็จย่าพระปันปีหลวงนี่ออกจากตําแหน่งครับเพราะอะไรครับเพราะว่านางมาอาคานั้นเป็นเป็นคนสร้างเจ้าแม่อาชาราที่น่ารังเกียจอาสาก็โค่นเสาอาเชาราและเผาทิ้งที่หุบเขาขิดโรนหุบเขาขิดโรนก็อยู่ทางตะวันออกของเยรูซาเล็มนะครับ แต่สิ่งที่อาสาทำไม่หมดก็คือไม่ได้รื้อสถานบูชาบนที่สูงก็คือไม่ได้รื้อศาลเจ้าทั้งหลายนะครับที่ตั้งอยู่บนที่สูงของแผ่นดินยูดาห์แต่พระกัมภีร์ก็บอกว่าพระไทยของอาสานั้นก็จงรักภักดีแน่วแน่ต่อองค์พระบุญเจ้าตลอดพระชนชีพแต่ในพระกัมภีสองพงศาวดารก็ได้บันทึกถึงชีวิตรายละเอียดของกษัตริย์อาส า, าครับในขณะที่หนึ่งพงาศษัตรบอกว่า พัะไทยของอาสาพักดีแน่วแน่ต่อองค์พระุนเจ้าแต่ก็มีจุดด่างพร้อยบ้างครับในช่วงปลายของกรรษัตริย์อาสาซึ่งบันทึกอยู่ในพระคมพีหนึ่งพงศรรษัตร์บทที่15ด้วยเหมือนกันก็คือว่าแทนที่อาสานั้นจะพึ่งพาพระเจ้าในการบริหารจัดการบ้านเมืองในด้านของการต่างประเทศเพราะอะไรครับเพราะว่า บาอาชากษัตริย์อิสราเอลเนี่ยก็ยกทัพมาสู้กับยูดาบาอาชานั้นก็สร้างเมืองป้อมหรือป้อมปราการที่เมืองรามาปิดทางเข้าออกปิดทางเข้าออกเขตแดนของกษัตริย์อาสาแห่งยูดาหพูดง่ายง่ว่าก็เป็นยุทธศาสตร์ครับเป็นชัยภูมิที่กษัตริย์ทางเหนือก็คือบาอาชาสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะกักนะครับไม่ให้คนจากทางใต้ไปทางเหนือไม่ให้ทางเหนือ มาทางใต้พูดง่ายๆว่าตั้งป้อมเพื่ติี่สู้รบและนี่เป็นภาวะคุกคามต่อแผ่นดินทางใต้ก็คือแผ่นดินยูดาซึ่งอาสาปกครองอยู่อาสาก็เลยแทนที่จะพึ่งพระเจ้าก็กลับนําเอาเงินทองนะครับที่เหลือไปถวายกษัตริย์เบนฮาดัดครับที่อยู่ทางเหนือของอิสราเอลฝ่ายเหนือก็คือเมืองดามัสกัสซึ่งคือพวกซีเรียนั่นเองกษัตริย์ ซีเรียนี่นะครับก็เป็นกษัตริย์แห่งชาวอารามครับเพราะว่าคนอารามนั้นก็อยู่ทางนั้นชื่อว่ากษัตริย์เบนฮาดัดเบนฮาดัดก็กลายเป็นพันธมิตรของทางฝั่งใต้แล้วก็ยกไปตีนะครับฝั่งเหนือจนกระทั่งฝั่งเหนือนี้ยอมและถอยไม่สร้างเมืองรามาเป็นป้อมประการอีกต่อไป ตรงนั้นแหละครับก็เป็นดูเหมือนจะเป็นชัยชนะของกษัตริย์ยูดาห์ก็คืออาสาแต่ว่าในพระคัมพีสองพงศ์สวดาดนั้นบันทึกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่แสดงว่าอาสานั้นไม่ได้พึ่งพระพเจ้าเพราะพระพเจ้านั้นส่งผู้เผยโพระชนะมาตําหนิอาสาครับและในที่สุดก่อนที่อาสาจะตายอาสานั้นเป็นโรคที่พระบาทแต่แทนที่จะพึ่งพระเจ้ากับพึ่งแพทย์ครับไม่ได้พึ่งพระเจ้า เหมือนอย่างเฮเซกิยาซึ่งเป็นกษัตริย์ที่ดีในสมัยต่อมาเขาพึ่งผ่าพระเจา้าพระเจ้า ก, ก็เลยต่ออายุเขาอีก15ปีพี่น้องก็จะได้เรียนรู้ในช่วงต่อๆไปครับพี่น้องครับเราจะเห็นสิ่งที่อาสากระทําพระคมภีร์ได้บรรยายถึงชีวิตอาสาโดยรวมถือว่าเป็นกษัตริย์ที่ดีมากคนหนึ่งครับเราจะเห็นถึงการทะเลาะเบาะแหวงการทําสงครามระหว่างอิสราเอลฝ่ายเหนืออิสราเอลฝ่ายใต้ ตลอดนะครับตั้งแต่นี้ต่อไปก็จะเป็นเรื่องราวของสงครามในสงครามแบบย่อยๆบ้างบุกไปบุกมาบ้างผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะบ้างถามว่าเกิดจากอะไรครับประเด็นที่สำคัญที่สำคัญก็คือที่สุดก็คือเรื่องการประนีประนอมกับโลกครับประนีประนอมกับการกราบไหว้รูปเคารพประนีประนอมกับเรื่องของเทวรูปบูชา นมัส ก, การพระต่างชาตินั่นคือสิ่งที่พระเจ้าไม่ชอบและสะอิดสะเอียนสิ่งเหล่านี้ครับนำมาซึ่งความเสื่อมถอยของพงพัน์อิสราเอลประชาชนอิสราเอลฝ่ายเหนือฝ่ายใต้กลายเป็นเหมือนกับเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ครับไปมาหาสู่กันไม่ได้ ท, ทั้งที่เป็นญาติกันครับทะเลาะเบาแวงกันจนกระทั่งต้องสร้างเมืองรามาซึ่งเปรียบเสมือนกับกำแพงเบอร์ลินครับ กันไม่ให้คนเหนือมาใตา้ไม่ให้ใต้ไปเหนือแต่ในที่สุดพระเจ้าก็อนุญาตให้อาสาได้เบรกการสร้างกำแพงเบอร์ลินนี่นะครับเบรกยังไงครับก็คือในที่สุดแล้วเนี่ยกษัตริย์บาชาแห่งอิสราเอลฝ่ายเหนือก็ต้องหันไปสู้รบกับเบนฮาดัดแล้วในที่สุดเขาก็ต้องถอนกำลังออกจากเมืองรามาอาสาก็เลยเกณฑ์คนอิสราเอลทุกคน ที่เป็นอิสเอลทางใต้นี้ให้ไปรื้อเมืองรามาและขนเอาทรัพย์สิ่งของวัสดุก่อสร้างทั้งหลายกลับมาสร้างเมืองของยูดาแทนนั่นคือชัยชนะที่ปรากฏขึ้นมาให้เห็นอาสาได้รับคำชมครับว่าเขานั้นมีจิตใจที่ฝักใฝ่จงรักภักดีกับพระเจ้าตลอดรัชการของเขาเหมือนกับดาวิดบรรพบุรุษของเขาแต่อย่างก็ตามครับอาสาก็ยัง ทำบาปเหมือนกันทำให้การจบชีวิตของเขาไม่ค่อยดีเพราะว่าตายด้วยโรคที่พระบาทก็คือที่ขาของพระองค์ท่านนั่นเองที่เท้าของพระองค์ท่านนั่นเองพี่น้องครับสิ่งนี้เป็นอีกพระองค์หนึ่งชีวิตอีกหนึ่งชีวิตก็ผ่านไปประชากรก็ติดตามพระองค์ไปดีไม่ดีชั่วเลวร้ายประสบกับพระพร หรือประสบกับคำแช่งสาบสิ่งดังเหล่านี้ก็จะวางอยู่ต่อหน้าเราทั้งหลายเป็นเหมือนกับฉายหนังครับพี่น้องที่เราจะเห็นกษัตริย์ที่ดีกษัตริย์ที่ไม่ดีกษัตริย์ที่ดีกษัตริย์ที่ไม่ดีลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปครับพี่น้องเราเองนั้นก็ต้องหันมาดูชีวิตของพวกเราครับว่าในชีวิตของเรานั้นเราจะเลือกเป็นผู้ที่ทำความดีผู้ที่ฝักใฝ่พระเนะของพระเจ้า ผู้ที่รักพระเจ้าผู้ที่เอาพระเจ้ามาเป็นที่หนึ่งและผู้ที่ไม่ประนีประนอมกับโลกชีวิตของเราก็จะมีแต่สิ่งที่ดีได้รับพระพรที่พระเจ้าสัญญาไว้และส่งต่อพระพรไปถึงลูกหลานได้อาเมน